พระธรรมาเทศนาแผ่ที่76ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกุวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่2เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าออกจากบ้านให้มีเงิน วันนี้เป็นวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2558วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราประสกนิกรได้ร่วมกันตักบาทวัฒนธรรมอำเภอนายุงได้เข้านิมนต์นนหลวงพ่อกับคณะสงฆ์บินทบาทเพื่อเป็นการตักบาทเฉลิมพระเกียรติ ของพระเทพของเราโลงพ่อก็ได้บินทบาทที่หน้าโรงพยาบาลพร้อมกับพระสงฆ์เราก็เห็นพี่น้องประชาชนวันนี้ผิดปกติล้นหลามมาใส่บาทเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระเทพและก็พร้อมกันวันนี้พวกเราในวัดของเราก็มีงานที่จะอุปสมบท หรือ ว, ว่าบวชพระแต่ตามไม่จริงก็บวชพระตามปกติเพราะวถือว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมพระเกียรติของพระเทพพวกเราก็น้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลพระองค์ท่านเหมือนกันเพราะเราได้ทำคุณงามความดีพวกเราทั้งท่านทั้งหลายได้ประกอบคุณงามความดีณนะที่ใด พวกเราควรจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทำคุณประการให้กับประเทศชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ละวันเดี๋ยวก็พระองค์นั้นไปทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนั้น ประชาชนกลุ่มนั้นตกทุกข์ได้ยากาน้าท่วมมีปัญหาอะไรเกิดในภายในประเทศล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านาทั้งฟ้ า, าชายทั้งลูกสาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปดูทุกหัวและแห่งของประเทศไทยของเรารถือว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเ อูในประเทศว่าปฏิรูปประเทศประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งคือผู้ปกครองก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ปกครองประเทศชาติมาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้รับความสะดวกสะดวกสบายร่มเย็นเป็นสุขถึงจะมีอะไรคนในประเทศบางครั้งก็ทะเลาะเบาแหวงกันบ้าง แต่เมื่อพระ อ, องค์ยังทรงพระนามพระนามัยแข็งแรงอยู่พระ อ, องค์ก็ลงออกมาห้ามปลามประเทศชาติของเราก็ได้รับความสงบไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่บัดนี้พระ อ, องค์ท่านก็อายุมากแล้วแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังถือว่าเป็นร่มโพร่มไทของประเทศชาติพวกเราจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับปู่ย่าตายายของเรา ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเห็นไหมประเทศสิงคโปร์ประกาศไปทั่วโลก เ, เมื่อลีกุลยูสัญญกรรมท้่ว่ามรณะภาพลงไปพี่น้องชาวสิงคโปร์เดินเรียงคิวเข้าไปเคารพคารวะเป็นกิโลกิโลไม่พูดไม่พร่าอะไรไปส่งสการเพื่อแสดงความคารวะเป็นครั้งสุดท้าย นี่แหละอันนี้ก็คือพระคุณที่พระ อ, องค์ท่านได้ทำคุณประโยชน์นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายกับประเทศสิงคโปร์เขาก็ยังทำอย่างนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยกว่ากว่าสิงคโปร์อีกเพราะนั้นพวกเราตรงเป็นคนดีสรุปแล้วให้พวกเราที่เป็นประสบในกรทุกหมูมทุกเหล่าเป็นคนดีคิดดีทำดี คิดเพื่อสร้างสรรค์ทําอะไรเพื่อสร้างสรรค์พูดอะไรออกไปเพื่อสร้างสรรค์คําว่าทะเลาะเบาแหวงเห็นแก่ตัวที่ทำผิดกฎหมายไม่ดีผิดจริยธรรมจ ร, ริยธรรมไม่ดีจะเป็นพระก็เหมือนกันแต่เป็นพระสงฆ์ก็อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจังหวัาสากยบุตรเป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้า อย่าออกนอกรูนอกทางให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยน่แหละถ้าเป็นครวัตญาตโยมทุกหมู่ทุกเหล่าก็ให้อยู่ในกฎระเบียบกฎหมาย <c oughs> ให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมธรรมจรยิยธรรมที่ดีนี่แหละถ้าเป็นอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขโลกทั้งโล ก, กร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าหากว่าไปคิดทมแบบนักบินของ โลคอตของเยอรมันที่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อสลดใจนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะคิดได้ยังไงฆ่าคนทั้งลำํำแต่ตามให่จริงกหลวงพ่อก็ได้ยินศรัทธาญาติโยมมาพูดพูดให้หลวงพ่อฟังพอหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงหูหลวงตา เ, เป็นพระศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องก็มีหลายระดับมาพูดมาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ฟังเออ ทำได้ยังไงหัวใจทำาด้วอะไรทำไมจะฆ่าตนเองเออแล้วจะไม่จะเป็นฆ่าคนทั้งลำคนที่ขึ้นเครื่องบินแล้วมันใจน้อยนะตุบตุบตมตอมตุมุมเลเ อ, อไม่ว่าใครละ่ะขึ้นไปอยู่ในเครื่องบินขนาดเครื่องบินตกลุ่มอากาศเท่านั้นแหละออกระใจอย่างบูบวาบละ่ะ อ, อ, อันนี้จะทำยังไงลดระดับลงไปพอมารู้ได้ที่ไหน เออมันกระแทกกับพื้นโลกล่ะกับภูเขาล่ะเออชนอย่างแรงอีกต่างหากแล้วคนในช่วงนั้นน่ะหลวงพ่อก็มาคิดเองเหมือนกันนะเออพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเครื่องบินในช่วงนั้นน่ะคิดยังไงในเชื่อในเมื่อเครื่องบินจะลงจะลงกระแทกพื้นดินทั้งนี้มีสติอยู่นะ่ะเออหลวงพ่อว่าถ้าเขาเาผู้ปฏิบัติธรรมนะนักตัทายาตโยมลูกหลานนะ ต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็คงจะลองกีดกัดออย่างที่เขาพูดให้ฟังนั่ น, นะถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเ่ยถ้าโอ้ข้าวนี้ไปไม่หลอดแล้วว่าขาเนี่ยข้าวนี้่ไปไม่หลอดและว่าเนี่ยเนี่แหละการผููที่ปฏิบัติธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วใจมันจะย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ทันทีเลยเ อ, อ จิตใจจะเข้ามาหาตัวผู้รู้นะยึดตัวผู้รู้ตัวผู้รู้รู้ตัวผู้รู้นะรู้ตัวนะนี่แหละมันเป็นเข้าเข้าสมาธิในตัวะมันยักษณะเป็นฌานแหละที่ไหนเป็นความรู้นะถ้าว่าตายในขณะที่นั้นนะตัดตัดตายขณะที่ตัวเองอยู่กับตัวผู้รู้นะนะั่นแะอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ถ้ามากกว่านั้นก็ไปพรหมนะเน่เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบได้นะ าว่าใจเราไม่ได้ฝึกขัดไว้ก่อนก็คงกลัวอย่างสุดๆเนะี่ยจิตใจมันก็คงจะมีอะไรก็คิดไม่ทันในช่วงนั้นนี่แหละตัวพ่อก็มาคิดอีกเหมือนกันนะแต่ตาไม่จริงก็มาคิดคนที่คิดทำอย่างนั้นได้คิดได้ยังไงเออชีวิตเขาชีวิตเราใช่ถ้าว่าเราไม่ต้องการอยู่โลกแต่ คนอื่นล่ะที่อยู่ในเครื่องบินไม่น่าจะไม่น่าจะให้คนอื่นทุกข์กับเร า, เาถ้าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะต้องเออประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็อย่าให้ขาดตกปกพ้อ ง, องประโยชน์ท่านก็ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะาแต่ว่ากิเลสไม่เป็นอย่างนั้น่ะ ถ้าว่าค่าไม่ได้กินคนอื่นก็ไม่ควรจะให้กินมันเป็นกิเลสมันเห็นแก่ตัวขนาดนั่นแหละกิเลสทุกวันนี้มากขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีคิดพวกเรารู้ไม่ดีพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วตั้งแต่เรียนกอไกมานะ ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาอันไหนคือดีคิดดีทำดีพูดดีทำแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริเป็นมงคลแต่วันนี้ก็พวกเราสองกลุ่มคณะใหญ่ทั้งมาจากน้องนองคายมาจากอุดรนะที่น้องคายก็คือท่านลูกชายของท่านผอ อ, อดีตผ อ, อรโรงพยาบาลศูนย์ เดี๋่ยท่านกับปเป็นเพราะ อ, โ, อโรงพยาบาลเอ ก, กชนน้องคายนี่ลูกชายก็นะ่ะเป็นหมอมาจากโศ่พิสัยสามปีแนละ้วท่านจะมาบวชแล้วก็คงจะไปเรียนเฉพาะทางฮะนี่แหละลูกชายก็เป็นหมอคุณพ่อก็เป็นหมอฮะมาจะมาบวชในวันนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจากอุดรก็เป็นพวกทํางานอะไรสุขขาคุณพ่อก็จำไม่ชัดอ่ะ เด็ก็จะมาบวชอีกจะมาบวช1เดือนอีกเหมือนกันหลวงพ่อก็เอาต่อไปก็จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสน า, าถึงจะบวชชั่วคราวก็ให้ได้บวชในพุทธศาสนาแล้วก็หลวงพ่อกอ็พยายามบอกกล่าวแนะนำอย่างวันนี้ละตอนเช้าอย่างนี้ละพูดธรรมะกล่อมกล่าว ให้ลูกหลานทั้งหลายให้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักพระคุณอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้อ ง, งต้นนะคุณประเทศชาติคุณพ่บาทสมเด็จพระบรมราชนิพนธพระบรมวงศานุวงศ์ให้รู้จักพระคุณให้รู้จักพระคุณประเทศชาติอย่าเอารัดเอาเปรียบคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละหลวงพอยกตัวอย่างเรื่องเครื่องบินของเยอรมันก็เหมือนกัน อันนี้ก็คือคิดไม่ดีคิดชั่วนะออคิดชั่วขึ้นมาแล้วก็ทำชั่วอีตาหากแล้วก็ฆ่าคนในเครื่องบินเท่าไหร่ไม่ได้คิดในจุดนั้น เ, ออเพราะนั้นหลวงพ่อยกขึ้นสองประเด็นหลักก็คื อ, อ, อคิดดีออแล้วก็คิดชั่วออคิดชั่วก็เป็นอย่างนั้นะเสียหายแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาวันนี้ออมาเพื่อจะอุปสมบท พ, พระลูกบวชพระ พวกบวชลูกหลานไว้ในพุทธศาสนาให้ลูกหลานสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานที่มาศึกษาแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพอเขามาได้ศึกษาละก็อ้าวรักษาศีลปฏิบัติอย่างน้อยเป็นเครื่องขัดเกลว์แต่หลวงพ่อคิดว่าน้อยเกินไปบวชหนึ่งเดือนอย่างน้อยสักสเดือนค่อยยังชั่วนะสเดือนเลยแค่ว่าบวด บวชใหต้ตัวเองหนึ่งเดือนใ ห, ให้คุณพ่อหนึ่งเดือนให้คุณแม่หนึ่งเดือนสะมเดือนถ้ามากกว่านั้นก็ให้คุณปู่หนึ่งเดือนให้คุณย่าหนึ่งเดือนให้คุณยายหนึ่งเดือนให้คุณตาหนึ่งเดืนเอนมันจึงจะพอเหมาะพอสมกันใช่ไหมปุปปับมาบวชเดือนเดียวไม่รู้จะแบ่งใครบ้างใช่ไหมล่ะน้อยเกินไปหลวงพ่อวาดนะเพราะนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามนะลูกหลานนะที่บวชในคราวนี้ ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อมีโอกาสนะเมื่อมีโอกาสคราวนี้มันเวลามีเวลาจำกัดพาลายเพราะเราทำหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาควรจะทำงานจุดนี้ซะก่อนในเมื่อเมื่อมีอายุขึ้นมาเอออย่าทิ้งสินอย่าทิ้งทำนะั่นที่นี้นะให้ศึกษาเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะี่ยสินและธรรมนะ่มันอยู่ในจิตใจของพวกเรา ถึงข่าวจวนเจียนจําเป็นสําคัญอย่างที่หลวงพ่อพูดนะว่าเมื่อเครื่องบินจะตกในช่วงนั้นะใจเขาคิดอะไรนะถ้าผู้ปฏิบัติรรมแล้วก็ใจก็จะต้องวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้เข้ามาหาใจแต่เดียวหาตัวผู้รู้ใจจะนั่งสงบนะพอนิ่งสงบตอนนั้นแหะเกิดบางทีมีบุญวัดาสนาบารมีเกิดฌานขึ้นมานะพอตายป๊อ ไปสู่พมโลกเลยพเพราะเหตุไรเพราะใจไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านนะใจนิ่งเนี่ย เ, ยเยพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาเอาไว้คือทางโลกเราก็จะไปปล่อยปะาละเลยจะไปเท้งเราอยู่ในโลกการการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จําเป็นสําคัญแต่เราจะไปคิดว่าการทำมาหาหาเลี้ยงชีพนะสําคัญที่สดุดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะลูกหลานคณะสัาาตยาธิษฐโจมนะ เพราะเหตุไรในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือท่านบอกว่าถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนี่ยจึงจะได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านทานอาหารคำล้านแสนําละล้านทุกวันแล้วก็ผ้านุ่งห่มย่างดียาแก้โรคประเทศไหนที่ดีที่สุดขนมาเลี้ยงร่างร่างกาย สร้างบ้านให้หรูหราโออาขนาดไหนก็เถอะถ้าอยู่ไปห้าหกปีนะ่ยจะเหตุฟันหลุดเดี๋ยวก็จะเห็นผมขาวเดี๋ยวจะเห็นตาฟ้าฟางเดี๋ยวจะเห็นหนังเหี่ยวหลังคล่อมผลสุดนอนในเตียงตาเรื่อมแมฟแมฟเลยกระดุกกระดิกไม่ได้ผลสุดก็ตายนั่นแหะถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันมีจุดจบอย่างนั้นใช่หรือไม่ให้ถามดูเลยใช่หรือไม่ ไม่ใช่ก็ต้องใช่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงได้ถึงแผงเพียงแค่นั้นแต่เลี้ยงจิตใจตัวนามธรรมตัวผู้รู้ตัวนั้ น, นอ่ะมีแต่พุทธศาสนาเนี่ยมีแต่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะให้เน้นเรื่องเลี้ยงจิตใจคือนามธรรมมโนปุพังคัมมาธรร ม, มามโนเสถา ม, โ น, ามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไร ค, คือใจคือตัวผู้รู้รู้รู้นั่นน sentido. คือใจพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะใจเป็ น, นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับ หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พวกเราเพราะพวกเราไปที่ไหนมีได้ขึ้นรถใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่านี่นะร่างกายเหมือนกับรถนะจิตใจเหมือนกับคนขับรถนะถ้ารถเนี่ยจอดไว้เฉยๆคนไม่ขับมันก็ไปไม่ได้ถ้าคนตายนะคือใจออกจากร่างกายเหมือนเหมือนกับรถมันจอดอยู่อย่างนั้นนะ่ะพอในสุดคนไม่ขึ้นไปขับเพราะในสุนนดกรถมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในพงหญ้าที่นะี่ยอตายเพราะอะไรเพราะคนไม่ขับคนไม่ขึ้นไปขับ ถ้าว่ารถมันตายคนจะขึ้นฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะนะถ้าหม้อน้ำมันแตกสะอย่างละเสียอย่างเครื่องมันพังสะอย่างจะเป็นฝีมือขนาดไหนถ้าขึ้นไปขั บ, ขบรถตายไปไม่ได้นี่คงเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยถ้าหัวใจอุดตันสัเส้นเลือดแตกในสมองสัมีรถเยอะแยะไปที่มันจะตาย ดวงวิญญาณก็เราเข้าไปขับเถอะมันขับไปไปอีกเหมือนกันนะเหมือนกับรถมันตายร่างกายของเราก็เหมือนกันมันตายแต่เมื่อเข้าไปขยับไปขยับมาเออหมุนไปหมุนมาผลที่ถูก็ร่างใจของเรากดโอ้ขับรถไม่ไปเลยกระโดดออกจากร่างเท่านั้นน่ะกระโดดออกจากรถนะ อ, อพอกระโดดออกจากรถเท่านั้นแหละท่นีเออ่เราได้คิดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าเราจะไปไหน เออต่ไม่ตีคิดว่าศูนย์ศูนย์อย่างเดียวไปได้ไดตายแล้วศูนย์ไม่ใช่ได้เออถ้ามันออกจากร่างแล้วส่เป็นยังไงเรามีเงินในกระเป๋าไหมสิโซเฟอร์เอา น, นามาธรรมท่านั้นอ่ะมันโนตัว น, นั้นอ่ะใจดวงนั้นอ่ะโซเฟอร์ดวงคนนั้นะมีเงินในกระเป๋าไหมถ้าไม่มีเงินในกระเป๋านะยย่ำตอกแน่เลยเออเผอเผอไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้ง่ายๆนะเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ง่ายๆ ถ้าว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนดีเหมือนกับเราประกอบคุณงามความดีตลอดบุญกุศลก็โซเฟอร์ก็ได้เงินใช่เพราะคุณงามความดีนั่นะคือบุญกุศลโซเฟอร์ได้เงินออกจากล่างนี่หละล่างนี้ใช้ไม่ได้ละเราไปหาออกจากล่างน้ไปหาเลือกล่างอื่นเราก็มองดูล่างไหนที่มันรวยรวยใช่ไหมล่ะ พ่อเป็นศีลเป็นธรรมเป็นคนมีนกควรธรรมศีลธรรมจริยธรรมตระกูลที่ดีฮะเราไปหาเกิดในตระกูลนั้นฮะเพราะเราไปเลือกเกิดได้เพราะอะไรเพราะเรามีบุญแต่คนไม่มีบุญก็อย่างวาดเหมือนกันนะไม่มีเงินวิญญาณไม่มีเงินก็เหมือนกับวิญญาณไม่มีบุญเหมือนโซเฟอร์ไม่มีเงินฮจะไปหากินที่ไหนกินไม่ได้เพราะโซเฟอร์ไม่มีเงินอบุญ วิญญาณไม่มีไม่มีบุญกับลักษณะอย่างนั้นนะพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานสรุปแล้วหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนให้พวกพวกเราอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ตามหลักธรรมคำสอนที่ว่าใจกายกายใจลูกประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจ พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องนา ม, มะธรรมมากกว่ารูปธรรมให้พวกเราฟังเอาไว้นะตายแลย้วไม่สูญตัวนามธรรมตัว น, นั้นะจะไปหาเกิดอีกเหมือนกับโซเฟอร์อย่างที่หลวงพ่อพูดนะโซเฟอร์ออกจากร่างนี่แล้วไปที่ไหนถ้าหากว่าโซเฟอร์ไม่ได้ขนขวายไม่ได้สร้า ง, งบุญสร้างกุศลมีแต่ทําความชั่วอยู่ตลอดเวลา พอออกจากร้างนี่ก็แปลว่าวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นโซเฟอร์นั้นไม่มีเงินไม่มีบุญคนที่ไม่มีไมีไม่มีเงินออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วคนมีเงินออกจากบ้านแล้วเป็นยังไงพวกเราคงจะคงจะรู้นะเอถ้าเราออกจากบ้านถ้ามีเงินกระเป๋าตุงแล้วเราก็สบายใจไม่ใช่เหรอถ้าว่างมีเงินกระเป๋าแฟบไม่มีเงินตายเราจะไปยังไง เออไปก็ไปแบบจบจบส้นๆนะเออเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้จะเข้าหน้าเข้าตาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีเงินฮะเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลไว้นะอย่าประมาท <c oughs> ประกอบคุณงามความดีให้มีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วไปที่ไหนสะดวกสบายล่มเย็นเป็นสุขไปหมดเหมือนกับคนมีเงินนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรณัตินีนะ